อนาปฏิวานภิกษุตอบไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ246 1. ้ิกภิกษุให้ทําเป็นของที่เป็นเดนแล้วให้ 2. อภิกษุให้ด้วยกล่าวว่าท่านจงให้ทําเป็นของที่เป็นเดนก่อนจึงฉันสามภิกษุให้ด้วยกล่าวว่าท่านจงนําไปเพื่อภิกษุอื่น4ีภิกษุให้พัตทหารที่เหลือของภิกษุเป็นไข่ห้าภิกษุให้ของที่เป็นยามกาลิกสัปตาหากาลิก อย่าวะาชีวิตด้วยกล่าวว่าท่านจงฉันเมื่อมีเหตุสมควรหกภิกษุวิกนจริตเจ็ดภิกษุต้นบัญญัตุติยาปรวรนาสิกขาบทที่หกจบ